ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะโคสิตารามใกล้พระนครโกสัมพีก็สมัยนั้นแหละเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จประาพาสพระราชอุทยานภายในพระราชวังก็ถูกไฟไหม้หญิงห้าร้อยมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขทรรมกาละครั้งนั้นแหละเป็นเวลาเช้าพิสุมากด้วยกันนุ่งแล้วถือบาทและจีวร เข้าไปบินฑบาตยังพระนครโกสัมพีครั้นเที่ยวบินฑบาตในพระนครโกสัมพีกลับจากบินทบาตภายหลังพัดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานทวโรโกาสเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ภายในพระราชวังถูกไฟไหม้หญิงห้าร้อยมีพระนางสามาวดีเป็นประมุข ร, รมกาละคติแห่งอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรพบหน้าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพี่สูทั้งหลายบรรดาอุบาสิกาเหล่านั้นอุบาสิกาที่เป็นพระโสดาบันมีอยู่อุบาสิกาที่เป็นพระสกะทาคามีมีอยู่อุบาสิกาที่เป็นพระอนาคามีก็มีอยู่ ตรงนี้ใช้คิดว่าอะไรนะใช้สกทาคามินีอนาคามินีก็หมายถึงผู้หญิงนะเพราะเป็นแต่ผู้หญิงทั้งหมดดูก่อนพี่สูตทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหมดนั้นเป็นผู้ไม่ไร้ผลทำกาละเขาเรียกว่าน้องกว่าเพื่อนที่สุดก็เป็นพระโสดาบันพี่กับาเขาหมดก็เป็นพระอนาคามเม่การครั้งนี้พระนางมาคันธิยาเนี่อรับบาปไปเละเลยเนี่ย ข่าพระอริยเจ้าห้ารอวุ้ยวางแผนไม่ธรรมดาจริงๆแต่แผนแบบนี้เนี่ยถูกเผาในนรกหลายชาติหลายหลายล้านปีเลยแหละเกิดมาก็ถูกเผาเป็นๆอีกไม่รู้กี่ร้อยครั้งก็ไม่ทราบกรรมนี่หนักมากเนี่ยนะลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงแต่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าสัตว์โลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกพัน อ น, นะโมหะนี้ทั้งผูกด้วยแล้วก็พันไว้จนมองอะไรไม่เห็นเนี่ยนะย่อมปรากฏเหมือนสมบูรณ์ด้วยเหตุหมายความว่าทำตัวเหมือนตายไม่เป็นคนพานนี้มีอุปธิเป็นเครื่องผูกพันถูกความมืดหุ้มห่อเอาไว้ย่อมปรากฏเหมือนว่าเที่ยงหรือย่างยืนเหมือนก็ว่าชีวิตนี้อมะตะกิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้พิจารณาสาหรับผู้ที่เห็นอยู่ อันนั้นเขนกถึงว่าพานางสามพานางมาคันธยาเนี่ยนะแม้โมหะมันยิ่งใหญ่จริงๆโมหะที่ยิ่งใหญ่อันนั้นเนี่ยทำให้คิดการชั่วฆ่าพระอริยะตั้งห้าร้อยเนี่ยนะ เ, เรื่องของพานางสามมาวดีเนี่ยนะที่บอกว่ายิงห้าร้ยมีพานางสามมาวดีเป็นประมุขเนี่ยนางสามมาวดีนี่คือใครทำไมจึงถูกไฟไหม้ มีคำถามอย่างงี้นะเฉลยว่าทิดาของเศรษฐีในเมืองพัทธวดีอันโคสกะเศรษฐีตั้งไว้ในตำแหน่งแห่งทิดามีหญิงห้าร้อยเป็นบริวารเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนเป็นอริยะสาวิกามากไปด้วยเมตตาวิหารธรรมทรงพระนามว่าสา ม, มาวดีคื อ, อเขามีเศรษฐีอยู่เมืองหนึ่งชื่วว่าเมืองพัทธวดีเนี่ยนะกับเมืองเศรษฐีอีกเมืองหนึ่ง คือเศรษฐีที่อยู่ในเมืองโกสัมพีชื่อว่าโคสิตะเศรษฐีสองเศรษฐีนี่เขาเป็นเพื่อนที่ไม่เคยเห็นกันทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่เมืองพัทธวดีเนี่ยเกิดอหิวาตกโรคขึ้นเมื่อเกิดอหิวาตกะโรคแห้งแรงเกิดชาธกะภัาภายอดอยากมากพัทธวดีนี่ก็เลยเอาทรัพย์เนี่ยไปซ่อนไว้ทั้งหมดเสร็จแล้วก็ชวนครอบครัวตัวเองพร้อมกับลูกสาวและภรรยาเนี่ยนะ เดินทางจากเมืองพัทธวดีจะมาอขออาศัยอยู่กับโคสิตาเศรษฐีนี่ก็เดินทางรอนแรมมาด้วยความอดอยากอดอยากอาหารมาหลายวันด้วยกันทีนี้ก็ไปจนถึงเมืองของอเมืองโกสัมพีเนี่ยก่อนที่จะเข้าเมืองพอเข้าเมืองไปเนี่ยไม่กล้าไปหาเศรษฐีเพราะว่าตัวเองตอนนั้นเนี่ยพร้อมกันทั้งทั้งลูกทั้งเมียทั้งอะไรก็พร้อมกันหมดเนี่ยนะ เรียว่าในสภาพแบบนี้ขนาดญาติก็ยังไม่อยากจะต้อนรับเหมือนกันนะก็คือเจียมตัวเจียมใจเขบอกว่าอย่าเพิ่งไปหาเพื่อนเราตอนนี้เลยท่า น, นเราเนี่ยอยู่ให้สบายสักพักหนึ่งก่อนนะนะบำรุงสุขภาพให้ดีแล้วค่อยไปหาเพื่อนแต่ตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยโคสิตาเศรษฐีเนี่ยนะก็สร้างโรงทานแล้สร้างโรงทานเนี่ยคนก็ไปรับอาหารที่ที่โรงทานวันนั้นพรัทธวดีเศรษฐีเนี่ยก็ใช้ให้นางสามาวดีเนี่ยลูกสาวคนนี้ก็ไปขออาหารมา ก็ไปขออาหารเมื่อไปขออาหารเนี่ยก็บอขอสามที่เลยขอรับอาหารสามที่นายคนนั้นก็ตักอาหารให้สามที่นะคนที่ตักอาหารให้ก็เลยเอาอาหารไปถึง <c oughs> เอาไปให้พ่อให้แม่ทีนี้สามคนเนี่รักผู้เป็นพ่อมากกลัวพ่อจะตายก็เลยแบ่งอาหารเหลือคนละนิดคนละหน่อยเอาอาหารทั้งหมดประเคนให้พ่อหมดเลยพ่อกินเต็มที่ตกคืนนั้นอาหารไม่ย่อยตาย นะนะเขากว่าหากินมากไปหน่อยเนี่ยนะเขาบอกว่าพวกที่อบพยพเนี่ยนะถ้าอบพยพร่างกายเต็มไปด้วยความอ่อนเพลียมาถึงกินมากทีเดียวโดยมากตายนั้นอย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกว่าชาวต่างประเทศที่อบพยพมาที่เมืองไทยเนี่ยนะหลายกลุ่มนี่ก็อดอตายเพราะกินมากไปเนี่ยนะก็คือมันมันย่อยไม่ได้นะตกคืนนั้นก็ตายเสียอกเสียใจกันมา ก, ก น, นะ ตายสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากไม่มีพิธีงานศพอะไรหรอกตายเสร็จก็ทํายังไงได้ก็ได้แต่เสียใจเสร็จก็เอาไปทิ้งป่าช้าเช้าวันรุ่งขึ้นมานางสามาวดีก็ไปขออาหารสองที่ น, นะก็เอาอาหารมาสองที่ตัวเองก็แบ่งทานไว้นิดเดียวแหมรักแม่มากก็เลยให้แม่เนี่ยกินให้อิ่มปรีไปเลยตกคืนนั้นแม่ก็ตายอีกเนี่ยนะกินมากไป เสียใจมากไม่รู้ทําไงเช้ามาก็ไปขออาหารวันนี้ขอที่หนึ่งไอ้คนตักอาหารจำหน้าได้ก็บอกว่าในตัวดีเนี่ยวันนี้เพิ่งรู้จักประมาณตัวเองหรือใ่วันแรกขอสักสามเลยวันนี้เมื่อวานขอสองวันนี้เพิ่งรู้จักประมาณตัวเองเอาที่เดียวนางก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้เป็นอย่า ง, งานั้นหรอกคือคือไอ้ความที่ตัวเองเป็นลูกของผู้ที่มีศักดิ์ใหญ่เนี่ยนะ แม้ว่าถูกเขาต่อว่าอย่างนั้นมันเจ็บใจจริงๆก็เลยบอกว่าก็เล่าให้ฟังทั้งหมดว่ามาสามคนวันแรกพ่อก็ตายวันที่สองแม่ก็ตายวันนี้เหลือคนเดียวนะพอเหลือคนเดียวนี้ก็เลยขออาหารแค่ที่เดียวคนที่ตักอาหารเนี่ยนะที่เป็นหัวหน้าคนงานของโคสิตะเศรษฐีฟังแล้วก็น้ำตาไหลก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลูกไม่ต้องคิดอะไรมากไปเป็นลูกพ่อก็แล้วกันก็เอาไปเลี้ยงที่บ้าน ไปเป็นลูกสาวตั้งแต่งตั้งเป็นลูกสาวคุณโตเลยทีนีไ้ไอ้นายคนนี้เขาเป็นเจ้าหนะ้าที่หัวหน้าดูแลในการตั้งโรงทานในการตักอาหารในโรงทานทีนี้คนมันก็เอะอะนะคนมาขออาหารมันก็เอะอะโวยวายเสียงสนั่นมันใบไปหมดบอกพ่อพ่อทำไมพ่อให้คนพวกนี้เสียงดังจังทําไมพ่อไม่ให้เขาเงีย บ, เ, ยบเสียงพ่อบอกหลายครั้งแล้วมันไม่เงียบอะ่ะพ่อก็ทําอย่างนี้สิ ทำยังไงพ่อก็ทํารั้วนะทํารั้ว่นะวคน ม, มารับอาหารก็เข้าทางนี้ไอ้คนที่รับอาหารเสร็จก็ออกไปอีกทางหนึ่งก็รับเข้ามาเอาทีละคนทีละคนถ้าอย่างนี้มันเสียงมันก็เงียบเท่านั้นแหละพ่อบอกเออ่เพิ่งนึกออกว่างั้นอเออแกก็ชมมาลูกเก่งมากเลยตั้งชื่อว่าสา ม, มาวดีคือฉลาดนะนะนางฉลาดสา ม, มารถทํารั้วนะก็คือซุ้มแบบไปซื้อตั๋วซื้ออะไรนะมีทางเข้ามีทางออกนนะมันก็เงียบลงพอเงียบลงเนี่ย โคสิตะเศรษฐีก็บอกเอโรงทานเราทำไมมันเงียบเหลือเกินหรือว่าเขาตัดโรงทานไปแล้วทำไมโรงทานของเราไม่มีเสียงเลยก็ไปเรียกไอ้หัวหน้ามาลูกไอ้ไอ้หัวหน้าคนงานมามันเกิดอะไรขึ้นทำไมที่โรงทานมันเงียบไปไม่ไม่ดีใจเลยนะเพราะเขาเป็นเศรษฐีใจใหญ่เพราะถ้าหากว่าคนมารับทานน้อยเสียใจเสียใจที่คนไม่มารับทานก็เลยบอกว่าคนก็มารับเท่าเดิมนั่นแหละนายท่านแต่ว่าตอนเนี้ย พระเจ้าทํารั้วแล้วเนี่ยนะมีคนขาเข้ากับค้าออกไปเสียงมันก็เงียบไปเออแล้วทําไมเมื่อก่อนแกไม่ทําล่ะเขาบอกว่านี่ลูกสาวเพิ่งแนะมาว่างั้นเฮ้ยแกมีลูกสาวด้วยเหรอบอกนี่สิลูกสาวคนโตบอกเฮ้ยว่าไปเล่นไม่เคยมีหรอกเล่าความจริงให้ฟังว่าได้ใครมาก็บอกก็เล่าให้ฟังว่าเป็นลูกของพัทธวัฎีเศรษฐีว่างั้นนะ น, นะหนีมาบอกเฮ้ยนี่มันลูกสาวเพื่อนข้า นั่ไปไปเอามาก็เลยเอามาแต่งตั้งเป็นลูกสาวคนโตเลยหาบริวารให้เลยห้าร้อยก็ได้บริวารมาห้าร้อยคนก็ไปแต่งตั้งเป็นลูกลูกสาวโกสกะเศรษฐีเนี่ ย, น, ยนี่ก็อยู่อยู่ไปหลายวันมีอยู่วันหนึ่งเขาถึงมหรสพเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาก็ไม่ค่อยปล่อยให้ลูกสาวออกนอกบ้านเท่าไหร่นั่นนะจะมีเทศกาลครั้งหนึ่งออกไปหาเพราะชายหนุ่มหญิงสาวจะเจอกันในช่วงเทศกาลช่วงนั้น นางสาวมาวดีก็ไปพร้อมกับบริวารห้ารอยไปอาบน้ําที่ท่าน้ําระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยนะพระเจ้าอุเทนมองเห็นบอกให้ลูกสาวใครคนนั้นบอกลูกสาวของโคส ก, กะเศรษฐีนะนะบอกก็เลยพระเจ้าอุเทนพอทราบอย่างนี้ก็เลยส่งทูตไปเลยไปสู่ขอประมาณท่านเศรษฐีนะท่านมีลูกสาวงามนี่ยนะข้าพระเจ้าขอบอกข้าพราะองค์ยังไม่รู้ใจของลูกสาวเลยนะไม่รู้ลูกสาวก็จะยอมหรือเปล่าไม่กล้าทรงให้หรอกพระเจ้าค่ะ นะยังไม่ได้ถามลูกสาวเลยบอกไม่ท่านจะให้หรือไม่ให้ยังไม่ได้ถามลูกสาวกเอาอย่างงี้ก็แล้วกันสั่งคนเนี่ยไปตีกําแพงบ้านเนี่ยนะปิดบ้านห้ามเข้าห้ามออกตีตรวนหมดเลยห้ามเข้าห้ามออกโดยประการทั้งปวงอะนะเรียกว่าสั่งอายัดหมดเลยอะโหมดมากสมัยก่อนเ <c oughs> สร็จแล้วนางสา ม, มาว ด, ดีกลับมาจากอาบน้ําก็เลยถามว่า มันเกิดอะไรขึ้นทําไมบ้านนี่ปิดหมดประตูเข้าออกไม่ได้อะไรไม่ได้เหมือนก็ถูกคุกเหมือนก็เข้าคุกถูกคุมขังก็บอกว่าโคสกาเศรษฐีก็เล่าความจริงให้ฟังว่าเนี่ยพระเจ้าอุเทนเนี่ยเขาต้องการได้ลูกไปเป็นเหสีพ่อยังไม่กล้าต่อปพระเนี่ยพ่อจะคอยถามดูลูกก่อนบอกทําไมพ่อทําอย่างนี้ธรรมดาพระราชาประสงค์สิ่งใดพ่อก็ควรทําอย่างนั้นก็เลยเอาฮะก็ดีแล้วลูกก็เลยจัดส่งลูกสาวไปให้ ก็พร้อมทั้งบริวารทั้งห้ารอยก็ไปสร้างวังสร้างปราสาทให้ก็เลยเป็นมเหสีเรียกว่าเป็นอัครมเหสีทีนี้มีอยู่ตอนหนึ่งเขาก็พระเจ้าอุเทนเนี่ยจริงๆเขามีมเหสีหลักอยู่สาท่านสามนางด้วยกันนางที่สองเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าปัจจันตโชตอยากได้พินพรเรียกว่าพินมิเวทมนเนี่ยต้องการตัวพระเจ้าอุเทนมาก ตอนหลังก็วางแผนจนจับตัวพระเจ้าอุเทนได้พระเจ้าอุเทนก็ไปอยู่ในเมืองอ น, นะเมืองของพระเจ้าปัจจันตชนเสร็จแล้วเขาจะฆ่าเอ้ยไม่ฆ่าขอเรียนเรียนมนต์ดีกว่าขอเรียนมนต์ใครเรียกว่าหัตส์ดีกัมเนี่ยนะมนต์ช้างชอบของนั้นมนต์ช้างชอบเวลาดีดพินแล้วช้างจะชอบมากทีนี้ไปขอเรียนวิชานี้กับพระเจ้าอุเทน พระเจ้าอุเทนก็บอกว่าเรียนได้แต่ใครที่เรียนต้องไหว้เขาพระเจ้าถ้านั่งไหว้เขาพระเจ้าได้เขาพระเจ้าสอนเฮ้ยพระเจ้าประจันตโชคิดหนัก เ, เราจะเสียศักดิ์ศรีมากถ้านจะต้องไปไหว้พระราชาข่าศึกที่เป็นเฉลยของตัวเองก็เลยเอาอย่างนี้แต่ยให้ลูกสาวไปเรียนถ้าลูกสาวเอ๊ะพระราชาก็หนุ่มลูกสาวเราก็สาวเอาไงดีก็เลยเอานี้ก็แล้วกันเขาก็วางแผนนี่ลูกไอ้ข่อมคนหนึ่งอ่ะมันมีมนพิเศษ แต่ที่นี้ว่าจวกให้ลูกเนี่ยไปเรียน น, นะแต่ลูกต้องไหว้มันอยู่ข้างคนเราฝังม่านนะเขาก็ตํำหนิบอกก็คือว่าบอกว่าเป็นผู้ชายข่อมไม่ดีไม่งามเนี่ยนะกลัวมากแล้วก็เพราะจะต้องปิดไม่ให้คนอื่นเขารู้เนี่ยเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ไปบอกพระเจ้าพิมพพระเจ้าอุเทนว่ามีหญิงคนหนึ่งอะนะที่หญิงค่อมหญิงอะไรก็ว่าไปนะนะเราไปเรียนมนที่นี้นางแม่เหตุลูกสาวของพระเจ้า ประจำแตโชดไม่ค่อยฉลาดก็ไปเรียนมนบอกว่าอย่างนี้ก็ว่าไม่ออกนะว่าว่าไปกี่ครั้งก็จําไม่ได้เพราะจำไม่ได้ก็บอกอีค่อมทําไมโง่อย่างนี้ก็เลยบอกแกถือดียังไงมาว่าชัดก็เลยว่ากันตาว่ากันมาแวกม่านไปเจอกันก็เลยไม่ได้เรียนแล้ครั้นี้เลิกเรียนเลยอยู่ไปได้หลายวันเข้าไม่ได้เรียนมนนะลูกสาวก็ถามว่าพ่อก็ถามว่าลูกเรียนมนไปถึงไหนแล้วบอกยยังไม่ถึงไหนวะนะยังเรียนอยู่วางั้น ในที่สุดก็วางแผนชวนกันหนีไปหนีไปเสร็จก็ไปแต่งตั้งให้เป็นมเหสีองค์ที่สองเนี่ยนะอีกนางหนึ่งก็คือนางมาคันธียานางมาคันธียานี่เป็นชาวกุรุพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่กุรุอะนะมาคันธียาพราหมณ์ก็จะยกลูกสาวให้พระพุทธเจ้าเพราะว่าคนรูปร่างอย่างนี้แหละเหมาะที่จะเป็นะนะเป็นลูกเขยของของเขาเนี่ยนะ ก็ไปถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่านางตันหานางราคานางอรดีเรายังไม่เอาเลยทําไมจะต้องเอาลูกสาวของท่านด้วยเสียใจมากเนี่ยนะก็เลยไม่เอาแต่นางสามาวดีเอานางมาคันธิยาเนี่ยก็มีอยู่คําหนึ่งที่มันหนักมากนะเขาบอกว่านางตันหานางราคานางอรดีเนี่ยนะความพอใจในนางเหล่านั้นยังไม่มีเลยเราจะเอาลูกสาวไปทำเราจะพอใจทําไมในลูกสาวของท่านที่เปื้อนด้วยอุจาระและปัสสาวะเล่ากัน แม้แต่เท้าเราก็ไม่อยากจะแตะต้องสรีระแห่งลูกสาวของท่านนางมาคันธยาเนี่ยฟังเนี่เสียใจมากเลยเจ็บแค้นมากบอกว่าไม่เอาก็ไม่เอากันพูดกันดีๆก็ได้ทําไมจะต้องดูถูกเราถึงขนาดว่าเท้าก็ยังเปื้อนไม่ได้ยังไม่อยากจะโดนเราวะ ง, งั้นถ้าเราได้เป็นใหญ่นะเราจะต้องล้างผลาญสมณะโคดมให้ให้ให้สําเร็จแน่นอนเสียใจมากแต่พ่อแม่เนี่ยฟังสูตรเดียวกันเนี่ยจบบรรลุเป็นพระอนาคามีออกบวชทั้งคู่ เสร็จแล้วนางมาคันธยาก็ไปอยู่กับอาอาก็เห็นว่ า, าถ้าหากว่าเอานางมาคันธยายไปถวายพระเจ้าอุเทนตัวเองก็จะมีตําแหน่งใหญ่โตก็เลยเอานางมาคันธยายไปถวายพระเจ้าอุเทนถวายพระเจ้าอุเทนก็ตัวเองก็ได้ขึ้นตําแหน่งได้ขึ้นเป็นอํามาตย์พระเจ้าอุเทนก็ได้มาเหสีคนที่สามเนี่ยนะนี่มเหสีเหล่านั้นเนี่ยนะก็อยู่ด้วยกันอย่างสมควรตอนหลังพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมือง เมืองโกสัมพีก็สงเคราะห์โคสิตาเศรษฐีนะสงเคราะห์โคสิตาเศรษฐีเป็นต้นเนี่ยให้บรรลุมรรคผลนิพพานเศรษฐีเหล่านั้นก็ก็สร้างวัดถวายโคสิตาเศรษฐีก็สร้างโคสิตารามนี่แหละสร้างโคสิตารามตอนนั้นพระองค์ก็ประทับอยู่ที่เมืองอยู่ที่โคสิตารามนีนางมาคันธิยาเนี่ยรู้ว่าผู้ใดก็ตามที่นับถือพระพุทธเจ้าคนนั้นคือศัตรูของเขา เขาไอความที่ผูกเวรใครก็ตามที่นับถือพระพุทธเจ้าคนนั้นคือศัตรูของเขาตอนหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปที่เมืองโกสัมพีนางมาคันธยาเนี่ยจ้างคนนะจ้างคนให้ด่าพระพุทธเจ้าจ้างคนเกือบทั้งเมืองเนี่ยให้ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะได้หนีไปพระพุทธเจ้าถูกด่าอยู่เจดวันนะแล้วก็ตอนหลังก็ไอช่วงก่อนจะเจวันเนี่ยแหละเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่หนีไปเนี่ย พนางมาคันธยาเนี่ยก็เสียใจจะเอายังไงดีกับพระพุทธเจ้าจะทําลายบุรุษคนนี้ได้อย่างไรในที่สุดก็บอกว่าฆ่าพ่อไม่ได้ก็ฆ่าลูกมันก็ได้ใครก็ตามที่รู้ว่านับถือพระพุทธเจ้าคนนั้นสรุปว่าจะต้องโดนเล่นงานด้วยตอนนั้นพนางมาสามาวดีเนี่ยบรรุเป็นพระโสดาบันคือนางสามาวดีเนี่ยนะเขามีเขามีหญิงคนหนึ่งคอยรับใช้ชื่อว่านางค่อมข้อมเนี่ยเป็นเรียกว่า ชื่อจริงว่าคุชชุตตราอุบาสิกาเนี่ยนางคุชชุตตราอุบาสิกาเนี่ยวันหนึ่งเขาไปซื้อดอกไม้ที่บ้านนายมาลาการระหว่างที่ไปซื้อดอกไม้ที่บ้านนายมาลาการเนี่ยนายมาลาการก็บอกคอมวันนี้อย่าเพิ่งรีบเอาดอกไม้ไปเลยน ะ, อ, ะอยู่ช่วยจัดแจงดอกไม้ทำบุญถวายพระก่อนวันนี้นิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านานะทำบุญให้ทามด้วยกันก่อนแล้วก็ค่อยเอาดอกไม้ไป ขอมเนี่ยความที่ตัวเองมีวาสนามีบุญเก่ามาก็เลยรับปากรับคำของนายมาลาการก็เลยช่วยจัดแจงทำบุญร่วมกันทำบุญร่วมกันพอพระพุทธเจ้าชันเสร็จพระองค์ก็สแสดงธรรมานุโมทนากคานางคุชุตราวบาสิกาฟังจบก็เป็นพระโูดาบันะนะความที่มีวาสนาอุปนิสัยแต่สาเหตุที่ค่อมก็คืออดีตเนี่ยเป็นมเหสีของพระราชาพระองค์หนึ่ง อุปถากพระประเจกพระพุทธเจ้าทีนี้พระประเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอะนะท่านอายุมากหลังท่านก็โก่งนิดหนึ่งอ่ะทีนี้พวกสนมมันล้อเลียนกันเล่นนะก็บอกว่าพระพุทธ เ, เจ้านะเนี่ยท่านโคบ อ, อย่างงี้ก็ทําตัวเลียนเป็นคนโคบนะ<ฮ><ฮ>เลียนคาราวสิจริงอะคื อ, ค, อคือท่านโค้งไปนิดหนึ่งอะนะพระประเจกท่านโค้งไปนิดหนึ่งก็เลียนล้อเลียนเล่นส น, สนุกสนุกตามภาษาคนว่างๆอะนะแต่ก็ได้ได้โคบสมใจหวากเลยนะ ก็ได้เป็นค่อมยิงเิงก็กรรมที่ไปล้อเลียนพระพเจ้ะพุทธเจ้าแล้วก็ที่เกิดมาเป็นทาตเนี่ยก็มีอยู่ชาติหนึ่งตัวเองเป็นลูกเศรษฐีกำลังหวีผมอยู่พอดีพระอรหันเทรียอยู่ ใ, ใกล้ๆบอกแม่เจ้าช่วยหยิบหวีเป็นต้นให้หน่อยวานพระอริยะเนี่ยวานพระอรหันให้ช่วยหยิบเครื่องแต่งตัวให้เสร็จ แ, แล้วพระอรหันเทรีเนี่ยนะก็นึกในใจว่าถ้าเราหยิบให้มันเกิดเป็นทาต ถ้าเราไม่หยิบให้มันโกรดตกนรกเออเป็นทาสก็ยังดีก็เลยหยิบให้ไปอนะันน้นให้แบบเป็นทาสดีกว่าตกนรกอันนะก็เลยใช้ผ้าหันตัวเองก็เลยได้เป็นทาสของเขาเนี่ยนะก็เป็นทาสไอ้ข่อมก็คือไปล้อเลียนพระอริยะอั้นก็บอกว่าการล้อเลียนการติเตียนพระอริยะมันมีโทษมากนะนะยิ่งผู้มีคุณมากเท่าไหร่ก็ยิ่งโทษมากเท่านั้นอันกรรมตัวนั้นเนี่ยนะแต่ก็เคยทําบุญ อ่านะทำบุญถวายกําไรกําไรให้รองอาหารรองบาทของพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าอ่านะบุญบุญอันนั้นทําให้เป็นผู้มีปัญญามากมันฟังครั้งเดียวจะจําได้หมดเนี่ยนะฟังแล้วก็จําได้ทั้งหมดแล้วมีความสามารถมั้นเป็นพระเสกขบุคคลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธามันฟังทำหนึ่งครั้งนี้ก็เป็นพระโสดาบันจําได้หมดเลย ปกตินี้พระเจ้าเประเซนที่โกศลจะให้วันละ8กหาปณะนะซื้อดอกไม้เข้าวังเนี่ยนะซื้อดอกไม้เข้าวังนางสามาบดีเนี่ยวันละ8กหาปณะนะไอ้นางคุชุตระเนี่ยปกติเนี่ยจะอมอมวันละสกหาปณ ะ, ะมาตลอดเลยนะน ะ, ะทุกจริญมันมีทุกผนทุกแห่งนะทุกยุคทุกสมัยมก็เลยอมไว้4กหาปณะนะซื้อแค่4กหาปณะนะวันนั้นพอเป็นพระโสดาบานันแล้วไม่กล้าอมแล้วพอเป็นพระโสดาบันจิตคิดจะขโมยไม่มีก็เลยซื้อ8กหาปณะนะ ก็ซื้อไปแปกหาพนาเนี่ยพระนางสามาวดีเห็นดอกไม้ก็พากันดีใจใหญ่โอ้โวันนี้ได้ดอกไม้เยอะแยะเลยได้มายังไงพระราชานึกอะไรขึ้นมาเนี่ยพระองค์โปรดปรานอะไรเป็นพิเศษจึงให้ดอกไม้มาเยอะแยะเขาบอกก็ให้ปกตินั่นแหละแต่ว่าเมื่อก่อนนี้อมไว้ <c oughs> ก็บอกตามความเป็นจริงว่ามูสาวาดไม่ได้นะเพราะเป็นพระโสดาบันแล้วไม่มูสาวาดเนี่ยนวันนี้ก็เลยซื้อมาหมดเลยไม่ใด้ขโมยสตังอะไรหรอกเท่านั้นอ้าวแล้ว ทำไมวันก่อนขโมวันก่อนทำไมยักยกทำไมวันนี้ไม่ยักยกก็วันนี้เห็นธรรมแล้วไงเพราะเห็นธรรมคืออะไรก็เราเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้ามาเนี่ยเสด็จฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุพวกนางสาวมาวดีดีใจใหญ่เลยบอกแสดงให้เราฟังบ้างสิก็บอกโอ้ไม่ได้ตอนนี้ยังเปื้อนอยู่ยังเศร้าหมองก็เลยเอาไปอาบน้ำก็แต่งตั้งธรรมะให้อย่างดีเลยนางก็ขึ้นแสดงธรรมก็ได้ว่าแสดงด้วยพุทธลีล า, านะแสดงจบบรรลุห้าร้อยหมดเลย นนสนมนางนทั้งหมดเนี่ยบรรลุห้าร้อยบอกว่าตั้งอันนี้ไปเนี่ยไม่ต้องเป็นทาสไม่ต้องเป็นอะไรแล้วแต่งตั้งให้เป็นแม่แต่งตั้งให้เป็นแม่มีอาชีพเดียวคือไปวัดแล้วก็ฟังธรรมถ้าฟังธรรมจบก็มาเล่าให้ข้างในฟังนะก็เลยถึงความเป็นผู้ทรงพระไตวิฉะนั้นคัมภีริติวุตกะเนี่ยนะถือว่าเป็นคัมภีร์ของนางคุชุตราวุบาสิกานะเป็นเป็นเป็นพระ พระโสดาบันที่ทรงทำเนี่ยนะแตกชานพระธรรมวินัยมากในสุขก็ทรงพระไตรปิฎกนะเขเข้าวัดออกวัดเพราะงานอยู่อย่างเดียวก็คือฟังธรรมฟังธรรมแล้วมาเล่าถวายให้พระนางมาคันธิยาเนี่ยฟังก็ขอไปพระนางสามมาวดีนี่ปกติเนี่ยนางสามมาวดีหลังจากเป็นพระโสดาบันไปแล้วเนี่ยอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าออมากแต่เนื่องจากว่าเป็นสนมนางในเนี่ยนะไอ้ที่จะไปเห็นพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ของง่าย ตอนนังก็เดินพระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตผ่านไปตรงนั้นนางก็เออนางคุชุตราก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเดินบิณฑบาตผ่านสายนี้แล้วนะก็เลยแอบเจาะช่องนิดแอบดูพระพุทธเจ้านางมาคันธยาเนี่ยได้ทราบข่าวเข้าบอกว่านางสามาวดีเนี่ยเจาะช่องฝาฝาปราศาสเนี่ยนะฝาวังเนี่ยเพื่อจะดูพระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาต ก็เลยส่อเสียดใหญ่เลยเนี่ยนะนางสามาวดีเนี่ยมีใจเป็นอื่นแล้วเห็นไหมนั่นะไปชอบพระสมมนะโคโดมแล้วก็ไปเล่าให้พระเจ้าอุเทนฟังพระเจ้าอุเทนก็ไปดูบอกว่ายเจาะเล็กนิดเดียวต้องทําหน้าต่างเลยว่างั้นพระเจ้าอุเทนเลยทําหน้าต่างให้เลยแล้วเขาบอกว่าที่มาของหน้าต่างเนี่ยเริ่มมียุคนั้นนะนะไม่ต้องเจาะดูเล็กๆหรอกทําเป็นหน้าต่างจะได้เปิดดูเต็มที่ <laughs> ก็เลยพระเจ้าอุเทนก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรหรอก าอายุแย่ยังไงพระเจ้าอุเทนก็ไม่ไม่เขคือรักรักพนางสาวมาวดีมากมีอยู่ครั้งหนึ่งพระนางมาคันธยาก็วางแผนว่าคือเขาวางแผนสอเสียดตลอดว่าทํำยังไงพระเจ้าอุเทนเนี่ยจะได้โกรธนางมาคันธยาแล้วฆ่านางมาคันธยาทิ้งซะในฐานะที่นับถือพระพุทธเจ้าสมควรตายอย่างนั้นนางสาวมาวดีเนี่ยสมควรตายก็เลยมีวันหนึ่งก็เลยบอกเขาก็สั่งให้อาเขาเอาไก่มาสีตัว เอาไก่มาสี่ตัวเอาไปให้พระนางสาวมาวดีเนี่ยนะทำ อ, อาหารคือพระเจ้าเทนมานนั้นเขาเมาเมาก็อยากกินกับแกล้มบอกโอ้ยอย่างงี้ก็ต้องกินกับแกล้มและมะ้มั้งบอกเอาไก่ไปทําแกงออมมาบอกนี่เอาไก่ตัวเนี้สี่ตัวนี้ไปให้นางสาวมาวดีทําก็แล้วกันก็เอาไก่ไปเอาไก่เป็นไปให้พระโสดาบันทาพระโสดาบันที่ไหนจะไปทําไก่เป็นบอกฆ่าเราให้ตายเราก็ทําไม่ได้ ก็เลยไม่ยอมทําก็บอกก็ไปให้เล่าให้พระเจ้าอุเทนฟังว่านี่ไม่ยอมทําเลยพระเจ้าข่าเนีย่ยเห็นพระองค์เป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยทำแค่แกงไก่ถวายพระองค์ก็ยังทําไม่ได้สเสีเสียนไปใหญ่เลยเอางี้ก็แล้วกันลองให้ทําเอาไก่สตัวเนี่ยไปทํากับข้าวทําบุญถวายพระดูซิท่านจตนางจะทํำไหมก็เอาไก่ไปใหม่ทีนี้ตอนได้เอาไก่เป็นไปนะตอ น, น, นเอาไก่ตายไปบอกว่าพระราชาสั่งว่าพวกให้พระหสีเนี่ย ทำแกงไก่ถวายพระพุทธเจ้าหน่อยเขาบอกโอ้้าอย่างนี้ทำได้ก็ไก่ตายเ็เลยมาชวนกันทำกับข้าวถวายพระนางก็กลับไปเห็นไม่พระเจ้าข่าวว่านางสามาวดีมีใจเป็นอื่นจริงๆเนี่ยเห็นหให้ทำกับข้าวถวายพระองค์ก็ยังไม่ทำพระราชาเขาเออแล้ว ก, ก็ไม่สนใจนะก็เมาต่อตามเดิมเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่ง ปกติแล้วพระราชาเขามีแม่เหสีอยู่สามวังไงสามวั ง, งก็เปลี่ยนไปทีระวันระวังวัระวังวันะวังมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนางมาคันธยาก็วางแผนว่าเอ๊ะทำยังไงดีก็เลยบอกพระราชาเนี่ยเขาไม่ห่างอยู่อันหนึ่งคือพินไอพินสหสหสดีกันเนี่ยนะหมายความว่าพินที่ดีดพินบันเลงคถาและช้างชอบมันไปไหนก็จะมีพินอันเนี่ยคู่ใจไปอันหนึ่งก็วางแผนว่าเอ๊ะทำยังไงดี ก็เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าอุเทนเนี่ยไปประทับอยู่ที่วังของนางมาคันธิ์ผนางสามาวดีก่อนที่จะไปในวังนั้นเนี่ยพ ร, พระเจ้าอุเทนก็นางมาคันธยาก็ไปให้เอางูพิษถอนเขี้ยวออกให้หมดกําจัดรีดพิษทิ้งให้หมดเลยแล้วก็เอาให้มันอดอาหารหลายวันหน่อยแล้วเอาไปใส่ไว้ในโพรงพินเรียกว่าในข้างในตัวพินเนี่ยพอใส่ไว้ข้างในตัวพิน อดอาหารมาหลายวันตอนหนึ่งที่พระเจ้าอุเทนอยู่ในวังพระนางมาคันธยาเขากแกล้งบ อ, อกฝันร้ายมากอะไรมากมีสังหรณ์ใจที่ไม่ดีเป็นห่วงพระร า, าชาเหลาาือเกินกลัวพระราชาจะตกจะตกทุกข์ว่างั้นตอนนี้พระองค์อยู่ในคราวอันตรายถ้าพูดสมัยใหม่พระองค์กําลังเคราะร้ายสังหรณ์ใจยังไงบอกไม่ถูกก็เลยมาเยี่ยมเข้าไปในวังเข้าไปในบ้านของในวังของพระเจ้านางของสา ม, มาวดีเนี่ยนะ ไปถึงเดินไปเดินมาก็จับโน่นจับนี่ก็ไปดึงเอาไอ้พวงดอกไม้ที่ที่ปิดโพรงที่งูอยู่ก็ดึงออกมาทีนี้งูมันก็ออกมาก็ขู่พระเจ้าอุเทนใหญ่เลยขู่ฟอดฟอดนะเตรียมทาเหมือนจะฉกพระเจ้าอุเทนนางมาคันธิยาก็ได้ช่องอากาศอายุใหญ่เลยก็นี่เห็นไหมหม่อมชันเตือนพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์ยังโง่จริงๆก็บอกแล้วว่านางคนนี้เนี่ย เขาจะเล่นงานพระองค์พระองค์ก็ไม่เชื่อพระราชาอะไรโง่จังเลยอะไรงี้ยนะก็ว่าไปใหญ่เลยพระเจ้าอุเทนเนี่ยนะเมาเมาอยู่พอดีโกรธจัดมากโอ้ยงานนี้ไม่ได้ต้องฆ่านางสามาวดีให้ได้ก็เลยทีนี้วิธีฆ่าให้มันสะใจทํำยังไงดีบอกพระเจ้าอุเทนปกติเป็นคนแข็งแรงมากมีกําลังเยอะมากมันก็เลยเอาอย่างเงี้ยคันให้หญิงห้าร้อคนไปยืนเรียงแถวเลยยืนเรียงแถวแบบแบบทหารแบบอะไรนะยืน ก็เว่าแถวเนี่ยนะไม่ใช่หน้ากระดานนะแถวตรงเลยให้นางสาวมาวดียืนอยู่ข้างหน้าเตรียมลูกธนูยิงเลยนะจะยิงทีเดียวให้มันทะลุตายห้าร้อยเลยเสร็จแล้วก็พระนางสาวมาวดีก็สอนบริวารว่าให้เจริญเมตตานะให้รักเอ่อเจริญเมตตาว่าหวังให้ทุกคนมีความสุขให้เรามีความสุขให้พระนางมาคันธยามีความสุขให้พระราชามีความสุข ให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยเราต้องเจริญเมตตากับสามคนนี่ให้มีใจเสมอกันอย่ากโกรธเคืองพระราชาอย่ากโกรธเคืองพนางมาคันทิยายเนี่ยนะให้มีเมตตาต่อทั้งสมคนให้เสมอกันทุกคนเจริญเมตตาให้แก่พระราชาพระนางสามาวดีพร้อมกับประมุกและบริวารก็ชวนกันเจริญเมตตาพระเจ้าอุเทนนี่ก็โกงธนูใหญ่เลยเนะเตรียมยิงเต็มที่พอโกงเสร็จเนี่ยธนูก็ปล่อยไม่ไป วางธนูก็วางไม่ลงเพราะว่าด้วยอนุภาพของเมตตาของพนางสาวมาวดีก็ยิงไม่ได้เพราะยิงไม่ได้เหงื่อท่วมเหงื่อนท่วมวางก็วางไม่ลงยิงก็ยิงไม่ออกเนี่ยนะเหนื่อยมากเหงื่อท่วมเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็สํานึกผิดนี่ขนาดลูกธนูไม่มีจิตใจนะยังรู้คุณของพนางสาวมาวดีเรานี่เป็นมนุษย์แท้ๆเรายังไม่รู้คุณของนางก็เลยพอสํานึกในนั้นก็วางธนูได้พอวางธนูได้ก็ ขอให้อะไรนะขอถึงพนางสาวมาวดีเป็นสารณะเราอย่าถึงหม่อมชั้นเป็นสารณะเลยนะถือพระพุทธเจ้าเถอดเนี่ยตอนหลังก็พระเจ้าอุธเทนก็ถึงสารณะเนี่ยนะก็อนุญาตให้มีการฟังธรรมเป็นต้นได้ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าอุธเทนก็จะไปเล่นกีฬาที่สวนเนี่ยนะไปประพาสอุทยานเนี่ยเล่นกีฬานางมาคันธยาเป็นต้นก็ไปด้วย พอนางมาคันธยาไปนางมาคันธยาไปด้วยทีนี้ก่อนไปนี่วางแผนให้อาเนี่ยนะให้อาเนี่ยหาผ้าชุบน้ํามันให้หมดผ้าชุบน้ํามันเสร็จไป 1, พันเสาพันเสาปราสาทก็มีปราสาทบ้านบ้านไม้เจดชั้นเนี่ยนะก็ไปพันพันพันพันให้ทุกเสาแล้วก็เตรียมจุดน้ํามันเนี่ยนะแล้วก็ให้ทั้งเจ็ดทั้งห้ารอคนไปอยู่ชั้นบนให้หมดแล้วก็พันเสามาจนถึงข้างล่างแล้วก็จุดไฟเผาพอขณะนั้นก็จุดไฟเผา เผาก็ตายทั้งหมดเรียบห้าร้อยเลยถูกไฟเผาเนี่นะเพราะว่าพนางมาคันิยาสั่งอาก็ทำตามเพราะอาเป็นอมตาเป็นอมตะวังในะนะก็สามารถทาได้ก็เผาตายไปห้าร้อยทีนี้พระราชาก็แกล้งคือมีทาหารมาบอกว่าวังของพนางสา ม, มาวดีพร้อมทั้งบริวารห้าร้อยเนี่ยถูกไฟเผาหมดตายหมดแล้วพระเจ้าข้าพระเจ้าอุเทนเนี่ยเศร้าใจมากหายเมาเลย ทีนี้คิดหนักเลยคันทีว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าอุเทนนี่รู้แล้วว่าคนที่สั่งท ร, รมีอยู่คนเดียวคือพระนางมาคันธทยียไอ้แต่ถ้าจะบอกพูดไปตรงๆนี่นางไม่บอกแน่ก็เลยใช้มายากษัตรแม้วันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดศัตรูตายไปแล้วเนี่ยฉันดีใจจริงๆใครนะหวังดีกับฉันเหลือเกินถ้าไม่มีเขาเนี่ยนะเราก็ไม่รู้จะจัดการกับนางสามาวดียังไง มีคนช่างรู้ใจทํางานแทนเราเบ็ดเสร็จหมดอุยใครนาะถ้ารู้จะให้พรหมอมชั้นพระเจ้าข่าโอ้เธอหรอเธอรักชั้นมากดีดีดนะเธอมีญาติเท่างหลายไปบอกมาให้หมดชั้นจะให้พรก็เลยไปเกณฑ์ญาติทั้งหลายก็มากันเกลี้ยงเนี่ยนะไอคนที่ไม่ใช่ญาติก็ญาติสินบนอยากเป็นญาติบัง่งเลยปรารถนาจะเป็นญาติ อะไรเอเอจะจ ะ, จ ะ, จะพระราชทานพอจะให้พระราชทานพรจะให้รางวัลไปรับที่สนามหลวงไปถึงก็เกณฑ์ทหารมาก็สั่งจับทั้งหมดเนี่ยนะขุดหลุมลึกเพียงเอวเนี่ยนะฝังให้หมดเลยขุดหลุมฝังเพียงเอวให้หมดแล้วก็เอาฟางเนี่ยมากลบจุดไฟเผาพอเผาไฟเสร็จก็ใช้เหล็กไถเหล็กเนี่ยไถครูดตายกันเกลื่อนเมืองเลยแหละ เสร็จแล้วสําหรับพ่านางมาคันธิยานิถือว่าคนพิเศษเจ้าของโครงการก็ต้องตายแบบพิเศษเหมือนกันนะก็เลยให้ตังกระทะน้ำมันเดือดพล่านทอดเนื้อทีละชิ้นไปทอดปาดเนื้อชิ้นหนึ่งทอดแล้วก็กินจัดจัดเข้าปากแล้วก็ทอดอย่างเงี้ยจนตายตายแล้วก็ไปที่ไหนดีก็ไหม้อยู่ในนรกเนี่ยนะก็ไหม้อยู่ในนรกเป็นต้น แต่ส่วนพานางที่บอกว่านางคุชชุตระานี่นะนางคุชชุตราานี่ไม่ตายนางคุชชุตราานี่เขาไม่ได้ทำกรรมร่วมกันกับไวในครั้งนั้นก็เลยไม่ตายเขาบอกว่าตอนที่พานางสาวมาวดีเนี่ยนะถูกจุดไฟเผาพานางสาวมาวดีตอนนั้นก็ให้โอววาดสอนบริวารของตนว่า แม่ทั้งหลายเมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในสงสารซึ่งไปตามรู้เบื้องต้นและที่สุดไม่ได้เราเวียนไหวมาหลายชาติแล้วนะอัตภาพถูกไฟไหม้ถึงอย่างนี้แม้กำหนดด้วยพุทธญาณก็กระทำไม่ได้ง่ายพวกเธออย่าประมาทเลยนะนงบอกว่าไม่ต้องประมาทในชีวิตนะไอระหว่างที่ถูกไฟไหม้เนี่ยนะก็ไม่ต้องไปอะไรหรอกพอเราเนี่ยถูกไฟไหม้อย่างนี้ไม่รู้กี่ร้อยชาติมาแลว้วนะถูกอย่าประมาทเลยนะก็พากันบาเพ็ญสมณธรรม ญิงเหล่านั้นบรรลุโสดาปติผลในสำนักของนางคุชุดตราอุบาสิกาอริยาสาวกผู้รู้แจ้งคำสอนของพระาศาสดาผู้ฟังธทำในสำนักของพระาศาสดาแล้วบรรลุผ ล, ผลผู้บรรลุเสขะปฏิสัมพิธาแสดงธรรมตามทํานองที่พระาศาสดาทรงแสดงแล้วนั่นแหละประกอบขวนขวายมนาสิการกรรมฐานไปตามลําดับเมื่อไฟกําลังไหม้พระตําหนักมนาสิการเวทนาหรือว่าเวทนาปริกหะเนี่ยนะ เจริญกรรมฐานกําหนดเวทนาพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์บางพวกบรรลุสกทาคามีผลบางพวกก็บรรลุอณาคามีผลถึงแก่กรรมไปพิสุทั้งหลายอนาหุหลังวันนั้นมาพระพิสุก็ไปบินทบาตใช่ไหมไปบินทบาทก็ทราบข่าวเข้าทราบข่าวก็เลยมากราบทูลเรื่องนั้นให้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็บอกว่ายิงเหล่านั้นเนี่ยนะ ถ้าบอกว่าเป็นผู้ที่กาละแบบไม่ไร้ผลกาละโดยไม่ไร้ผลคือได้บรรลุสามัญญผลฝ่ายยิงเหล่านั้นได้รับผล อ, อันพระนางสามาวดีได้ให้โอวาสว่าจงเริ่มพยายามขวนขวายในพระพุทธศาสนาจงกำจัดเสนาของมัจจุราชเหมือนกุญชรช้างเนื่ยนะเชือกประเสริฐย่ำยีเรือนไม้อ้อฉนั้นผู้ใดไม่ประมาทเห็นแจ้งในพระธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจักละชาติสงสาร จักกระทำที่สุดแห่งทุกได้นะในกสอนให้เจริญสมมาประธานนะนะจงเริ่มพยายามขวนขวายในพระพุทธศาสนาก็คือจงบากบัน่นภาคเพียรพยายามเพิ่มพูนอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะเพิ่มพูนอธิศีลโดยมานสิการศีลของตนระลึกถึงศีลของตนที่ได้รักษามาเป็นอย่างดีนะเจริญสมถะก็คือตั้งไว้ในเมตตาเป็นต้นด้วยความไม่ประมาทเจริญวิปัสนา เพื่อกำจัดเสนาของมัจจุราชเสนาของมัจจุราชก็คือสาเหตุที่ทําให้เวียนว่าไห้ตายเกิดในวะะัฏฏะคืออวิชชาตันหาเป็นต้นมันจงพยายามเจริญความเพียรเพื่อกําจัดตันหากําจัดอวิชชาถ้าผู้ใดไม่ประมาทเห็นแจ้งเห็นแจ้งก็คือเจริญวิปัสสนาเป็นต้นเดี๋ยปฏิบัติในธรรมวิไ น, นัยนี้ผู้นั้นก็จะละชาติสงสารละชาติสงสารก็คือละการเกิดใช่ไหมถ้าจะไม่เกิด เพรา ะ, ะไรดับจึงเลิกเกิดเพราะกรรมดับเลิกก็เลิกเกิดใช่ไหมชาติดับเพราะภพดับภพบดับเพราะอุปาทานดับอุปาทานดับเพราะตัณหาดับตัณหาดับเพราะอาริยมรรคองคแบบประชุมขันกําจัดตัณหาผนท่าปฏิบัติเห็นแจ้งตามนั้นก็จักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งวัฏฏุทุกได้เผะท่านเหล่านั้นก็เจริญเวทนาปริกหะกรรมฐานพิจารณา เวทนาปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในเวทนาก็บรรลุผลที่สองที่สามเป็นต้นฝ่ายนางคุชุตระานั้นมีอายุเหลืออยู่เพราะไม่ได้ทํากรรมเช่นนั้นไว้ในปางก่อนจึงได้อยู่ภายนอกประสาทเนี่ยนะก็บอกว่าเหตุการณ์เดียวกันถ้าคนมีกรรมก็เรียกว่าอะไรนะร่นไปจนได้ที่ใช่ไหมแต่ถ้าคนไม่ได้ทํากรรมเอาไว้นะก็มีเหตุจะต้องจากที่ตรงนั้นไปก็ เหมือนกันว่านะไปไม่ทันเที่ยวรถบางคันเนี่ยนะเสียใจมากเลยใช่ไหมที่ไปไม่ทันตอได้ข่าวว่าคันนั้นเนี่ยตายทั้งคันบอกดีใจมากที่ไม่ได้ทันก็ลักษณะนั้นนะนะเขาไม่ได้ทํากรรมร่วมกับเขามาพระนางทั้งหลานางเหล่านั้นก็หลีกไปลําดับนั้นพิสูจทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าอาวุโสพระอริยาสาวิกาถึงแก่กรรมเช่นนั้นเนี่ยไม่สมควรเลยหนอ บรรลุมรคผลแล้วทำไมจึงถูกไฟไหม้พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ถ้าความตายของหญิงเหล่านั้นไม่สมควรในอัตภาพนี้ไซแต่กรรมที่เธอเคยทำไว้ก่อนนั่นแหละเป็นกรรมที่สมควรแท้ที่พวกเธอจะได้รับเนี่ยนะบอกว่า ชาตินี้นะไม่สมควรเลยใช่ไม่สมควรของชาตินี้แต่สมควรของชาติที่แล้วพันทุกอย่างในโลกนี้นะเรามองว่าเป็นความไม่ยุติธรรมแต่นั่นเป็นความยุติธรรมหลายๆอย่างที่ที่สัตว์ทั้งหลายได้รับในโลกนี้นะถ้ามองไกลๆจะรู้ว่าสมควรแก่เหตุจริงๆเนี่ยนะอย่างอะไรนะอย่างสมัยนี้ตายเป็นหมูตายเป็นพวกตายด้วยปัจจัยหลายๆประการเนี่ยถ้าใครสาวไปหาเหตุได้ จะรู้ว่าทุกอย่างสมควรหมดเนี่ยนะคนที่รับกรรมนั้นนะ่ะคนที่สเสวยความทุกข์ก็ถือว่าเป็นผลของกรรมใหม่เออผลของกรรมเก่าพวกที่ทําเหตุเหล่านั้นก็ชื่อว่าทํากรรมใหม่เนี่ยนะมันทํากรรมใหม่ตัวเองทําเช่นใดอนาคตต่อไปก็เช่นนั้นอันผู้ใดที่ยินดีในการก่อกรรมทําสงครามเป็นต้นเนี่ยนะประชาชนตายเท่าไหร่เดือดร้อนอย่างใดนั่นคืออนาคตของเขาใน พ ต, ต่อไปเนี่ยนะพบของคนที่ก่อการเหล่านั้นคนที่คิดการเหล่านั้นคือสิ่งที่ตัวเองจะต้องประจวบต่อต่อไปถ้าไม่ออกจากวัตฏะได้หรือไม่ถ้าไม่สําเร็จมากผลออกจากวัตฏะเนี่ยนะสิ่งที่เขาทําทั้งหมดเนี่ยนะผลที่เกิดขึ้นในในหมู่สัตว์โลกอย่างใด น, นั่นคืออนาคตของเขาต่อไปเนี่ยนะังั้นคนที่ทําปาณาติบาตก็คือคนที่สาบแช่งให้แก่ตัวเองเนี่ยนะอย่างกลุ่มนี้ก็เหมือนกัน วิบากที่รับเนี่ยไม่สมควรแก่กรรมในชาตินี้แต่มาดูอดีตชาติล่ะพงศ์ก็เล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระประเจกขพุทธเจ้าแปรูปชั้นพัฒตาหารเนืองนิดอยู่ในพระราชนิเวศนะคนมีบุญยังไงก็ทำแต่บุญ น, นะนะหญิง500คนก็พาการบํารุงพระประเจกขพุทธเจ้าเหล่านั้นในพระประเจกะพุทธเจ้าแปรูปนั้น อีกเจ็ดรูปกลับไปป่าหิมพานอีกรูปหนึ่งนั่งเข้าสมาบัติที่พงญ้าแห่งหนึ่งใกล้ริมฝั่งแม่นม้ําภายหลังวันหนึ่งเมื่อพระประเจกับพระเจ้าไปแล้วพระราชาประสงค์จะเล่นน้ํากับพวกหญิงเหล่านั้นก็เสด็จไปหญิงเหล่านั้นเล่นน้ําในที่นั้นตลอดทั้งวันถูกความหนาวบีบคั้นประสงค์จะผิงไฟจึงยืนล้อมพงหญ้าที่นั้นที่ที่พระนั่งเข้าสมาบัติอยู่พอดีนี่แหละข้างบนอันดาราดาดไปด้วยพงญ้าเอ ดาราดาไปด้วยหญ้าแห้งด้วยสําคัญว่ากองหญ้าก็เลยจุดไฟเผาก็คือพระประเจตตรงนั้นมันร่มรีนะมันอากาศร่มก็เลยเข้าไปนั่งเข้าพร ะ, ะสมมบัตรเข้านิโรธสมมบัตรเมื่อหญ้าถูกไฟไหม้แล้วก็ยุบลงเห็นพระประเจตกับพุทธเจ้าคิดว่าพระประเจตกับพุทธเจ้าของพระราชาถูกไฟไหม้พระราชาทรงทราบเรื่องนั้นเนี่ยจะทําเราให้พินาศ งานนี้เราเผาพระกันแล้วตายแน่งานนี้พระราชารู้ตายกันหมดเนี่ยทำยังไงดีเราจักเผาท่านให้เรียบร้อยเสียเลยไห <c oughs> นๆก็เผาแล้วว่าเผาทันทีเดียวเลยใช่ไหมนั่นก็ได้ช่องนะอันอ น, อ น, อนั้นอันเนี่ยเราจักเผาท่านให้เรียบร้อยเลยเพราะไอ้กรรมตัวนี้แหละถูกเผากี่ชาติไอ้เจตนาตัวนี้ร้ายกาจมากบอกในโลกนี้อะไรใจหยาบคายร้ายแรงเท่ากับเจตนาไม่มีเจตนาเนี่ยนะมีอุปการรักคุณให้ประสบความสุข ชันใดแต่ถ้าเจตนาที่เป็นบาปล่ะก็ให้รับเคราะห์ร้ายอยู่อย่างนี้แหละก็เลยทุกคนก็พากันไปขนฟืนมาจากที่น้นมาจากที่นี้มาทําเป็นกองสมเอาไว้ข้างบนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจุด น, นะไฟก็ลุกท่วมก็หลีกไปด้วยเข้าใจว่าบัดนี้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าจักมอดไหม้ไปแล้วแต่จริงพระปัจเจกท่าน ไ, ได้เป็นอะไรหรอกเพราะท่านเข้านิโรธสมาบัตินี่นะ พอท่านออกเวลากำหนดท่านก็สะบัดไปก็ออกไปไม่ได้ไฟไม่ได้ไหมแม้กระทั่งชายจีวร อ, อะไรยิงเหล่านั้นเนี่ยนะจุดตอนแรกเพื่อจะผิงไฟเนี่ยก็ไม่มีเจตนาแต่บัดนี้พากันผูกพันไปด้วยกรรมตัวตอนหลังได้เจตนาจะเผาให้มันเรียบร้อยไปเลยเนี่ยนะไอ้เจตนาตัวนั้นเนี่ยทำด้วยความโกรธนี่แหละก็ภายในสมาบัตเหล่านั้นถ้ายิงเหล่านั้นพากาันขนฟืนมาตั้งพันเล่มเกวียนแล้วสมพระประเจกพุทธเจ้า ก็ไม่สามารถแม้เอาเพียงไออุ่นได้เพราะฉะนั้นในวันที่เจ็บท่ประเจกพระพุทธเจ้านั้นก็ลุกไปตามสบายยิงเหล่านั้นเพราะกรรมที่เขาทําไว้นั้นจึงหมกไหมในนรกหลายพันปีหลายแสนปีเป็นแสนแสนปีเลยนะโทษครั้งนั้นเนี่ยเพราะเศษแห่งวิบากกรรมนั่นแหละเมื่อตำหนักถูกไฟไหม้โดยทํานองนี้เธอจึงถูกไฟไหม้ถูกย่างสดอย่างนี้ร้อยอัตภาพ น, นะถูกเผาสดมาแล้วร้อยชาติเนี่ยนะ นี้เป็นบุพกรรมของหญิงนั้นแต่ก็เพราะเหตุที่หญิงเหล่านั้นกระทำให้แจ้งอริยผลในอัตภาพนี้จึงเข้าไปนั่งใกล้พระตนัตรัยในหญิงเหล่านั้นหญิงผู้เป็นท่านาคามีเกิดในชั้นสุทธาวาส น, นะเป็นท่านาคามีก็เกิดในพรมโลกส่วนนอกนั้นก็เกิดในดาวดึงบ้ง้งยามาบ้างดุสิตบ้ง้งนิมมานรารดีบ้างปารณิมิมตาวัสวัตตีบ้างกระจายกันอยู่ตามสมควรแก่บุญเก่า ฝ่พระเจ้าอูเทนแลทรงสดับข่าวว่าพระตําหนักของพระนางสามมาวดีถูกไฟไหม้ก็รีบเสด็จมาถึงที่นั้นเมื่อหญิงเหล่านั้นถูกไฟไหม้นั่นแหลครั้นเสด็จมาก็รับสั่งให้ช่วยดับไฟไหม้ที่พระตําหนักก็เกิดความเสียใจอย่างรุนแรงตอนหลังก็ทราบว่านางมาคันธยาก่อเหตุเช่นนั้นโดยอุบาย น, นะกรรมที่นางมาคันธยาเนี่ยกระทําความผิดในอริยสาวิกาตักเตือนอยู่จึงให้ลงราชอาญยากแก่นางพร้อมด้วยญาติ พนางมาคันธยาพร้อมด้วยขราชบริพานพร้อมทั้งมิตรพวกพร้อมถึงความโวอดวายด้วยประการชนนี้แลก็ถูกเผาเรียบเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ทราบเนื้อความนั้นโดยอาการทั้งปวงถึงเหตุที่หญิงเหล่านั้นมีนางสา ม, มาวดีเป็นประธานถึงความโวอวายในกองเพลิงขณะเดียวกันนิมิตที่พนางมาคันธยาพร้อมด้วยมิตรและพวกพร้อมถึงความโวอดวายด้วยพระราชอัจจายานี้ นะเขาบอกว่านางสาวมาวดีเนี่ยนะตายแต่ก็เชื่อว่าไม่ตายพระนางมาคันธยาเนี่ยตายจริงเลยนะก็ตายจากคุณงามความดีตายจากบุญกุศลพระนางสาวมาวดีไม่ได้น่าสงสารดอกถามว่าถ้าสองคนเนี่ยนะพระนางสาวมาวดีก็ไปสุขติเนี่ยนะไปเกิดในพรหมโลกเป็นต้นส่วนนางมาคันธยานี่สิชาตินี้ก็ถูกไฟเผาแบบชนิดที่เรียกว่าค่อยๆแล่นเนื้อออกไปทีละชิ้นไปทอดสดๆแล้วก็ให้ตัวเองกินเนี่ยนะ ตายแล้วก็เป็นหมกไหมอยู่ในรกกี่แสนปีนะเพราะงานเนี่ยสั่งเผาเท่าไหร่สั่งเผาผ้าระยะห้าร้อยเนี่ยนะเรียกว่าอัินนาทานพร้อมปนานนติบาตเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็อุทานบอกว่าสัตว์โลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกพันย่อมปรากฏเหมือนสมบูรณ์ด้วยเหตุคนพานมีอุปธิเป็นเครื่องผูกพันถูกความมืดหุ่มห่อเอาไว้ย่อมปรากฏเหมือนว่าเที่ยงและยั่งยืน กิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้พิจารณาเห็นอยู่อธิบายว่าบทว่าโมหสัมพันธโนโลโก้พภรุ ป, ปวทิสติความว่าสัตว์โลกใดในโลกนี้ปรากฏเป็นเหมือนผู้สมควรแท้เหมือนกับสมควรเลยนะเพราะเป็นเสมือนสมบูรณ์ด้วยเหตุสัตว์โลกแม้นี้มีโมหเป็นเครื่องผูกพันคือเกลือกล้วไปด้วยโมห ไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแปลว่าโมหะนี่มันปกปิดใช่ไหมเมื่อโมหะมันปกปิดทําให้ไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรทําแล้วสร้างความเดือดร้อนให้ในภายหลังอะไรกระทาแล้วเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญต่อไปก็ไม่ดําเนินไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ไหม อย่างพระนางมาคันธยาพระพุทธเจ้ามีอยู่ก็น่าที่จะไปเลื่อมใสทำบุญเจริญกุศลฟังธรรมเป็นต้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพ่อตามแม่เป็นต้นแต่กลับไม่ทำในสิ่งที่ตรงการข้ามผูกเวรก่อพยาบาทกับพระพุทธเจ้าในที่สุดก็นำมาซึ่งการเข็นการฆ่าต่างๆนี่นะสั่งสมแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นาแต่ความทุกมาให้พอกพูนแต่อกุศลเป็นอันมาก คิดดูว่าจิตใจของนางมาคันธยาเนี่ยนะตั้งแต่ผูกเวรกับพระพุทธเจ้ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหล่านั้นเป็นไปด้วยบาปซะส่วนใหญ่เลยนะถือว่าบาปมากจริงๆเลยนะตั้งแต่จิตตัวบาต ท, ที่เกิดขึ้นว่าจะต้องสร้างความเสียหายให้แก่ชายคนนี้ให้ได้นี่ยถ้าเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยนะก็ไม่เท่าไหร่แต่นี้ไปทํากับพระพุทธเจ้าไปผูกเวรกับพระพุทธเจ้าคิดสร้างความเดือดร้อนให้แก่พระพุทธเจ้าไอ้ความคิดตัวนั้นเนี่ยมันเลวร้ายขนาดไหน นะโมหะที่ปกปิดสภาพจิตอันนั้นเนี่ยทำให้ไม่รู้ดีรู้ชั่วเลยไม่รู้บุญไม่รู้บาปนะปกปิดสิ่งที่เป็นประโยชน์นะนะกำจัดสิ่งที่เป็นประโยชน์ตัวเองทิ้งไปหมดสรรหาแต่บาปนะนะทำแต่อกุศลให้แก่ตัวเองพวกนี้เกิดมาเป็นศัตรูของตนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโลกนี้มีโมหะเป็นเครื่องผูกพันเกลือกกลั้วด้วยโมหะคือความลุ่มหลงเพราะเหตุนั้นตนของสัตว์โลกนั้นจึงปรากฏเหมือนมีรูป เหมือนมีสภาวะเที่ยงคือปรากฏเหมือนตัวเองเนี่ยไม่แก่ไม่ตายอันเป็นเหตุให้ทําสิ่งที่ไม่ควรทํามีการฆ่าเป็นต้นจริ ง, รงๆเนี่ยนะคนอื่นเนี่ยเราไม่ฆ่าเขาก็ตายเชียวะนะทำไมเราต้องไปเปื้อนบาปด้วยใช่ไหมก็ให้เขามีชีวิตยอยู่อีกไม่กี่ปีเขาก็ตายแล้วทำไมเราจะต้องไปรีบให้เขาตายเร็วอะไรขนาดนั้นขณะเดียวกันถ้าเราไปฆ่าเขาแล้วบาปอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะ เราฆ่าเขาหนึ่งครั้งแต่เราจะถูกฆ่าอีกเป็นร้อยเป็นพันครั้งเนี่ยนะดีไหมอย่างเงี้ยนะันถือว่าเป็นความคิดที่เสียหายเลวร้ายมากแต่ก็เพราะความไม่รู้เพราะความโง่ความเขลาความไม่รู้ในอดีตว่าไม่รู้ในอดีตว่าคนที่เขาถูกฆ่าเนี่ยเพราะกรรมเก่าของเขาเป็นปัจจัยขณะเดียวกันตัวเองฆ่าตัวเองไม่รู้อนาคตต่อไปว่าการฆ่าเหล่านี้จะมีผลอย่างไรต่อไปใน อนาคตก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เมตตาควรจะได้ใช่ไหมโมหะนี่แปลภาษาไทยว่ามันให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ทำในสิ่งที่ควรทำการงดเว้นจากปานาติบาตเป็นสิ่งที่น่าทำโมหะบอกอย่าเลยไปฆ่าซะเธอเนี่ยนะตายเข้าตายเร็วอีกสองนาทีก็ดีใจเนี่ยนะพวกท่ามโมหะมันพาทำเนี่ยนะนทำอย่างนั้นแหละพันสัตว์โลกเหล่านี้เนี่ยนะ ไม่ใช่จะมีแต่โมหะเป็นเครื่องผูกพันอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่แท้สัตว์โลกเหล่านี้เป็นผู้บอดผู้เขามีอุปธิเป็นเครื่องผูกพันอันความมืดเขือวิชานี้หุ้มห่อแล้วก็คิดดูนะเหมือนกับว่าปิดตาปิดหูไม่ให้มีข้อมูลไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วปล่อยให้เดินทางไปเนี่ยนะเราจะเดินไปที่ไหนนะถ้าอยู่ในกรุงเทพอาจจะเดินไปชนนี้แล้วก็แต่ถ้าเป็นตามภูเขาเลยจะไปไหนเดินก็ตกเหวเข้าไปแค่นั้นแล้เนี่ยนะ ลงจากเฮาก็ไม่รู้ไปขึ้นขึ้นนะ ข, ขึ้นเพื่อต ก, ตกขึ้นตกขึ้นตกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะโมหะแท้ๆที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะยานอันเป็นเหตุให้บุคคลพิจารณาเห็นกามและเห็นขันอันไม่ผิดแผกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็ไม่มีเขาไม่มีปัญญารู้บุญรู้บาปเนี่ยนะไม่มีปัญญาเห็นดีเห็นชั่ว ไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นผลแห่งบุญเห็นบาปไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีปัญญาที่จะเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเพราะเหตุที่ปุตุชนคนบอดคนเข่าถูกความมืดคืออวิชชาแวดล้อมหุ้มหมอโดยรอบฉะนั้นปุตุชนคนบอดคนเข่านั้นจึงมีอุปธิเป็นเครื่องผูกพันอุปธิคือการอุปธิคือกิเลสอุปธิคือขัน เมื่อเขาผู้มีอุปธิเห็นอยู่ย่อมปรากฏดุจว่าเที่ยงยั่งยืนมีอยู่ในการทุกเมื่อเหมือนเขาว่าเขาทําชั่วแล้วเนี่ยนะถ้าคนอื่นตายไปเนี่ยแล้วเขาเหมือนจะอมาตะอย่างนั้นใช่ไหมว่าถ้าฆ่าคนอื่นแล้วตัวเองก็จะมีชีวิตอยู่อย่างพลาสุขประสบแต่ความเจริญบอกนั่นเข้าใจผิดแล้วเนะี่ยให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวใช่ไหมถ้าเราประสองค์อย่างใดกับผู้อื่นสิ่งนั้นคือสมบัติของเรา สมมุติถ้าเราให้เจตนาร้ายกับผู้อื่นสิ่งที่ร้ายๆก็จะตกมาสู่แก่เราถ้าเราให้ความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นสิ่งดีๆทั้งหลายก็ประสบแก่เราเพราะสิ่งที่เราสะท้อนออกไปคือสิ่งที่เราจะได้รับเพราะสาัตว์โลกเนี่ยนะถ้าถ้ามองแบบสมมุติอนะมีนเหมือนอยู่ในกระเปาะไขา่ฟองไข่เนี่ยนะถ้าแล้วสิ่งนั้นถ้าเราผลักอะไรออกไปแล้วมันสะท้อนกลับมาร้อยเท่าเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราสะท้อนสิ่งที่ดีออกไป สิ่งที่ดีทั้งหลายก็สะท้อนย้อนเข้ามาหาตัวเป็นร้อยๆเท่าถ้าสะท้อนบาปออกไปล่ะของเราสมมุติถ้าเราให้เจตนาร้ายกับผู้อื่นสิ่งที่ร้ายๆก็จะตกมาสู่แก่เราถ้าเราให้ความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นสิ่งดีๆทั้งหลายก็ประสบแก่เราเพรา ะ, ะสิ่งที่เราสะท้อนออกไปคือสิ่งที่เราจะได้รับเพราะสาัตว์โลกเนี่ยนะถ้าถ้ามองแบบสมมุติอาเมียนเหมือนอยู่ในกระเปาะไขา่ฟองไข่เนี่ยนะถ้าแล้ว สิ่งนั้นถ้าเราผลักอะไรออกไปแล้วมันสะท้อนกลับมาร้อยเท่าเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราสะท้อนสิ่งบาปนั้นก็ไหลเข้ามาสู่ตัวเองเป็นร้อยร้อยเท่าแต่ทีนี้ว่าคนผ่านทั้งหลายเนี่ยนะมีแค่อะไรนะมีแค่ตาเนื้อไม่มีตาปัญญาพอที่จะเห็นอดีตเห็นอนาคตรู้เหตุรู้ปัจจัยไม่รู้ผลต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยสร้างแต่บาปแต่กรรมให้กับตัวเองเพราะฉะนั้น อุปธิเหล่านั้นย่อมปรากฏเข้าไปตั้งอยู่เหมือนส่วนหนึ่งของโลกด้วยอำนาจการยึดถือผิดว่าอัตตาย่อมเกิดยุนทุกการว่าอัตตาเนี่ยอื่นนะไม่เที่ยงมีสภาวะไม่แน่นอนผู้ใดกำหนดสังขารตรงกันข้ามนะถ้าถ้าคนที่มีปัญญานะปัสสโตนติกินจนังเนี่ยหมายถึงผู้มีปัญญาทั้งหลายกำหนดสังขารพิจารณาสังขารด้วยลักษณะมีอนิจจาลักษณะเป็นต้นสังขารคืออะไร สังขารที่ระนับหนึ่งคือสังขารนับสองคือนามรูปนับสคือที่ตั้งแห่งเวทนา3นับสี่ก็คือดํารงอยู่ด้วยอาหาร4ี่นับ5ก็คืออุปาทานขันห้านับ6ก็อายตนะภายใน6นับ7วิญญาณทิฏฐิเจนับ8โลกธรรมแปดนับ9กสัตว์ว่านับ10อายตนา10นับสิอายตนา12ถ้านับ18ล่ะถ้า18สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมีลักษณะคืออนิจจลักษณะเป็นต้นไม่เที่ยง เมื่อบุคคลนั้นนั่นแลรู้อยู่เห็นอยู่แทงตลอดอยู่ตามความเป็นจริงด้วยมัคคปัญญาอันประกอบด้วยวิปัสนาปัญญากิเลสเครื่องยียยนมีราคะเป็นต้นอันเป็นเหตุผูกพันไว้ในสังสารวัฏก็ย่อมไม่มีอันนะกิเลสที่ร้อยที่รับที่ผูกที่มัดที่ทําให้หุ้มห่ออยู่ในวัตตะก็ไม่มีถ้าเจริญวิปัสสนาปัญญาความจริงเมื่อบุคคลไม่เห็นอยู่อย่างนั้นแล พึงถูกเครื่องผูกพันเมียวิชาตัญหาและทิฐิเป็นต้นก็ผูกมัดเอาไว้ในสงสารเบื้องต้นของสองสารเขาเรียกว่าชาติท่ามกลางเรียกว่าชราที่สุดก็คือ มรณนะการดำรงอยู่แห่งสงสารคือการดำรงอยู่แห่งทุกข์แห่งโรคแห่งฝีแห่งดังลูกศรแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ความยากความลำบากทั้งมวลอันมูสัตว์ที่เกิดมาในโลกจึงประสบแต่ทุกข์อยู่ร่ําไปแต่ผู้ใดเจริญปัญญาพิจรารณาเห็นความเป็นตาของสังขารอย่างตลอดสายปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดความคลายกําหนัดถือว่าเป็นความสุขการออกจากสังขารได้เป็น ความสุขอย่างบ้านเมืองที่บ้านเมืองใดที่มีแต่พิษภัยสงครามเข่นฆ่าปล้นขโมยข่มคืนขูดรีดเนี่ยนะเมาไม้มัวเม า, ม า, มาเต็มไปด้วยยาเสพติดเป็นต้นถ้าออกจากที่นั้นได้ถ้าเราถือว่าดีหรือไม่ฉันใดก็ดีวัดทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นทั้นถ้าเราปฏิบัติออกได้แล้วก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างแทจง้จริงจริงๆแล้วผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะเริ่มมีความสุขตั้งแต่เริ่มเจริญกุศลธรรมเพราะตัวเองได้ บริโภคสิ่งที่ไม่มีโทษกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษการเจริญศีลก็เป็นสิ่งที่ไม่มีโทษชีวิตของผู้มีศีลเริ่มจะเห็นว่าชีวิตเริ่มมีสาระขึ้นแต่ถ้าชีวิตที่ไม่มีศีลเนี่ยมีอะไรเป็นสาระของชีวิตบ้างจริงอยู่ความสุขสบายเหล่านี้ที่มีอยู่ต่างอะไรจากความฝันระลึกเถอะนะชีวิตที่ผ่านมาต่างอะไรจากความฝันบ้างมาเชื่อถามลุงเรื่องดูเนี่ยนะมันก็เหมือนกับฝันมาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฝันว่าโน่นเคยไป นั่งอยู่แม่ห้องสอนน่ะ น, นะก็ฝันเท่านั้นแหละ ม, มีอะไรหรอกน่ะถามว่าจริงไหมจริงแต่มันจริงแบบฝันอนะ่ะเอาไหให้ดูได้ไหมไม่ได้นะให้ดูตอนนมนมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างเนี่ยนะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะดูเหมือนดีเหมือนเหมือนยั่งยืนเหมือนมั่นคงอยู่ในตอนนี้5ปี10ปี20ปีหรือร0อปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นร0อปีเนี่ยเด็กๆทั้งหลายมาเรียนประวัติศาสตร์สงสัยจะขำ ม, มากเลยนะรุ่นปูรุ่นยายรุ่นอะไรทั้งหลายในยุคนั้นอ่ะนะ มันเราก็มาเห็นว่ามันก็เป็นอย่างนี้แล้วนี่แต่ถ้าหากว่าผู้ที่เริ่มมีสาระเนี่ยนะเริ่มประสบสิ่งที่เป็นสาระมีศีลที่เป็นสาระการอบรมสมถวิปัสสนาที่เป็นสาระก็ประสบอมตะสาระคือพระนิพพานพระนิพพานนี้เป็นสุขอย่างแท้จริงก็ดูสิเนี่ยพอเรามาพูดถึงเรื่องสูตรสายปานตาิบาตบรรยากาศตึงเครียดก็เกิดขึ้นตรงกันข้ามกับพระสูตรใอะไร บรรลุมรรคผลนิพพานโอ้ยสุขเนอสบายหนอฟังแล้วมีความสุขไมนี่นี่ทั้งโลกทั้งหลายเนี้ยก็เป็นไปอย่างนี้ถ้าเราอยู่ในแวดวงสังคมที่เขามีแต่การฆ่าชีวิตเราเป็นยังไงวใจก็เศร้ามองมันถ้าเขาฆ่าเราเราจะกราบเขาเลยไหมโอ้ยเราฆ่าเขาก่อนแล้วเนี่ยเราเก่งใช่ไหมก็เราเก่งเราต้องฆ่าเขาก่อนสิถ้าเขาจะฆ่าเราเป็นต้นเนี่ยนะฆ่าเราหรือฆ่าเขาก็แน่ฆ่าเขาหรือฆ่าเราเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยตอนต้นเหมือนฆ่าเขาได้สําเร็จ แต่ว่าตอนปลายเราจะถูกฆ่าอีกนานเยนะมันก็การฆ่าผู้อื่นเนี่ยคือการฆ่าตัวเองอีกหลายชาติ